ที่พร ะ, ระพตเจ้าพระบรมศาสดาส่งมอบไว้ให้กับพวกเราทำเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาธุระที่ส่งมอบไว้ให้นี่มีสองธุระด้วยกันธุระที่หนึ่งเรียกว่าคันธุระธุระที่สองเรียกว่าวิปัสนาธุระ เป็นธุระหรือเป็นงานที่ที่แท้จริงของพวกเรางานอื่นๆที่เราทำกันนี้เป็นงานชั่วคราวเป็นงานดูแลอัตภาพร่างกายของเราเพื่อให้อยู่ไปตามอายุขยของเขาแต่ไม่นานเขาก็ต้องเสื่อมสภาพหมกไปส่วนงานที่เราทำจาก ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำนี้เป็นงานที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้ถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีหมดสิ้นไปดันงนานงานของพระพุทธศาสนาจึงเป็นงานที่แท้จริงและเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสุขและความเจริญ ของชีวิตจิตใจของพวกเราพวกเราจึงควรที่จะพยายามทำทุระทั้งสองส่วนนี้ให้สมบูรณ์เพราะเมื่อเราได้ทำสมบูรณ์แล้วเราจะได้รางวัลอันประเสริฐรางวัลหรือผลที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันนั่นก็คือ ปรมังสุขขังและการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่ปลายทางของทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราดำเนินกันธุระสองอันนี้อันแรกเรียกว่าคันธะธุระ แปลว่าการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุระที่สองเรียกว่าวิปัสนาทุระแปลว่าการทำให้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกต้องศึกษาคำสอนก่อนว่าทรงสอนให้ปฏิบัติอะไรบ้าง เมื่อรู้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติต่อไปเพื่อที่จะได้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าส่งรู้เช่นรู้ถึงการเวียนว่ายตายเกิดรู้ถึงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดรู้ถึงความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาโวรว่าเป็นอย่างไร mm. ทั้งหมดนี้ต้องเริ่มต้นที่ คันถัุระก่อนคือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการศึกษานี้ก็สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันเช่นการมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมเป็นประจำอย่างนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ ได้จะเลกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วได้รับการคัดลอกออกมาเป็นส่วนๆให้พวกเราได้ศึกษากันนี่เป็นการศึกษาไม่จำเป็นจะต้องไปโรงเรียนไม่ต้องไปไปสอบศึกษาเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจให้เรารู้จักทางชีวิตของเราที่เป็นการเดินทางไปสู่ความสุข แต่เรามักจะไม่ได้ไปถึงปลายทางที่เราต้องการไปกันเพราะเราไม่รู้จักทางทางที่เราเดินนี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะพาให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระสาวโกทั้งหลายได้ไปถึงกันเพราะว่าเราไม่ได้เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเอง เราจึงยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปทุกกับการเกิดการแกร่การเจ็บการตายการพัดพรากจากกันเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาเท่าที่ควรหรือศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติตามถ้าเราศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารักษาศีลห้าอย่างนี้ถ้าเราไม่รักษาศีลห้าการศึกษาของเราก็ไม่ได้ผลแต่อย่างใดท่านทรงสอนให้เราทำบุญให้ทานทำความดีถ้าเราไม่ทําเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์เราจะไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางท่านสอนให้เราปฏิบัติ จิตตะภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้ฉลาดด้วยปัญญาถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเราก็จะไม่ได้รับผลที่เราอยากจะได้กันการศึกษาอย่างเดียวนี้ไม่พอศึกษาแล้วต้องปฏิบัติในทางตรงกันข้ามการปฏิบัติอย่างเดียวก็ไม่ควร เพราะถ้าเราไม่เคยไปทางนี้ก่อนถ้าเราไม่ได้ศึกษาทางนี้ก่อนเหมือกับไม่ได้ดูแผนที่ก่อนเราก็จะหลงทางเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันเพราะเราปฏิบัติโดยที่เราไม่ได้ศึกษาแนวทางที่ถูกต้องว่าจะต้องดำเนินไปอย่างไรดังนั้นการศึกษา และการปฏิบัติจึงเป็นของคู่กัน <_ coupe> เป็นของจำเป็นทั้งสองส่วน <uyor> ถ้าไม่ได้ศึกษาปฏิบัติไปนี้ถ้าจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก็ต้องเป็นคนระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเหล่านี้ไม่มีใครมาสอนไม่มีคำสอนให้ท่านได้ศึกษา ท่านจึงจำเป็นต้องศึกษาด้วยตนเองด้วยการลองผิดลองถูกลองเดินไปทางนี้ดูถ้าไปแล้วเห็นว่าไม่ใช่ทางก็กลับมาต้องไปลองอีกทางหนึ่งกว่าจะพบทางที่ถูกต้องก็ต้องเสียเวลาไปหลายกลับหลายกันด้วยกันกว่าจะได้พบทางที่ประเสริฐนี้แต่พวกเรานี้ ถือว่าโชคดีมีวาสนามากที่ได้มาเกิดและได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงไม่ต้องไปคลำทางหาทางด้วยตนเองเรามีผู้บอกทางให้กับเราแล้วเรามีแผนที่แล้วดังนั้นเราเพียงแต่ศึกษาหรือทำตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าของผู้ที่บอกทางเราก็จะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วได้ภายในชาตินี้เลยเพราะมีผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้เป็นจำนวนมากมาแล้ว ก็คือพระ อ, อริยสงฆ์สาวกทั้งหลายที่เป็นสรณะที่สามของพวกเรานี้ท่านก็เป็นเหมือนพวกเรามาก่อนท่านก็เป็นพวกที่ยังไม่รู้จักทางแต่พอได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้รู้จักทางที่ถูกต้องแล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อและปฏิบัติตาม จนในที่สุดก็ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางในเวลาที่รวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาหาทางเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าต้องทรงหาเป็นเวลาเป็นกลับเป็นกันถ้านับภพบชาติก็เป็นเป็นหลายล้านล้านภพชาติด้วยกันต้องมาเกิดมาตายหลายหลายล้านครั้งด้วยกัน กว่าจะได้มาตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าได้บรรลุพระนิพพานที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่มีแต่ความสุขที่ถาวรไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องเลย<ม>พวกเรานี้ไม่ต้องเสียเวลาเหมือนกับพระพุทธเจ้าเพราะมีผู้บอกทางแล้วก็คือพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่สามารถที่จะบอกทางให้กับพวกเราได้ดังนั้นถ้าเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีเราก็จะได้รู้จากทางที่เราจะต้องเดินไปเมื่อเรารู้แล้วเราก็ปฏิบัติไป ขั้นต้นต้องรู้ว่าทางอยู่ตรงไหนต้องทำอะไรเมื่อรู้แล้วขั้นที่สองก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติเหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายเราไปหาหมอหมอก็จะบอกวิธีรักษาโรคของเราให้เช่นบอกว่าให้รับประทานยาชนิดนี้รับประทานวันละกี่เวลาและต้อง ละเว้นจากการรับประทานอะไรบ้างละเว้นจากการดื่มอะไรบ้างที่จะเป็นโทษแก่ร่างกายของเรานี่เป็นการศึกษาจากหมอพอหมอสั่งยาให้เราบอกวิธีรักษาให้เราแล้วถ้าเราไม่ทำตามหมอสั่งยาก็ไม่รับประทานคำสั่งที่หมอห้ามไม่ให้ ดื่มสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือรับประทานอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ถ้าเราไม่ทำตามโรคของเราก็จะไม่หายแต่ถ้าเราเชื่อหมอแล้วเราทำตามคำสั่งของหมอไม่นานโรคที่เราเป็นอยู่ก็หายเพราะหมอได้รักษาโรคนี้มามากมายแล้วผู้ที่เชื่อหมอและทำตามคำสั่งของหมอ ก็ได้รับการรักษาให้รให้หายจากโรคได้เป็นจำนวนมากมาแล้วเช่นเดียวกับโรคใจของพวกเราพวกเราทุกคนนี้ถึงแม้ว่าจะมีร่างกายที่ปกติไม่เป็นโรคไม่เจ็บ่ายได้ป่วยแต่พวกเรามีโรคทางจิตใจกันพวกเรานี้มีความไม่สบายใจกันอยู่ตลอดเวลา ไ ม, มไม่สบายใจกับเรื่องนั้นไม่สบายใจกับเรื่องนี้วุ่นวายกับเรื่องนั้นวุ่นวายกับเรื่องนี้นี่คือโรคทางใจเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติกันนั่นเองสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัตินี้โดยสรุปแล้วก็มีอยู่สามข้อด้วยกันคือหนึ่ง ให้ทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม 2. ให้ล้างบาปทัป้งปวงและสให้ละให้ตัดกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจเพื่อใจจะได้สะอาดบริสุทธิ์กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นเหมือนชั่วโรคในร่างกายของเรา มันเป็นตัวที่สั่งให้เราไปทำตรงกันข้ามกับคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำดีเราก็ไม่ทำดีกันพระพุทธเจ้าสอนให้เราให้ละบาปเราก็ไม่ละบาปกันเพราะอานาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเวลามันมีเวลามันแสดงตน ในใจแล้วใจของเรานี้จะไม่สามารถทำความดีได้เช่นเวลาที่เรามีความโกรธเราจะไม่สามารถที่จะทำความดีอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำได้ก็คือให้เราให้อภัยต่อผู้ที่ทำให้เราโกรธไม่ให้เราอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม ขณะที่เราไม่โกรธนี้เราพอจะทำได้เพราะตอนนั้นอารมณ์ของเราไม่ว้าวุ่นขุนมัวเราพอที่จะให้อภัย ผ, ผู้นั้นผู้นี้ได้แต่เวลาที่เกิดความโกรธขึ้นมานั้นเราจะรู้สึกทำได้ยากมากเพราะอำนาจของความโกรธนี้มันครอบงําจิตใจของเราอยู่ เช่นเดียวกับความโลภเวลาเราอยากจะได้อะไรมากๆพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าต้องหามาด้วยวิธีที่สุจริตคืออย่าไปทำผิดศีลผิดธรรมอย่าไปทาผิดกฎหมายหรือผิดประเพณีที่ดีงามแต่เวลาเราเกิดความโลภอยากได้มากๆเรามักจะไม่สามารถหักข้ามจิตใจของเราได้เช่น เรามีการเลือกตั้งเวลาเราไปสมัครเป็นเป็นผู้แข่งขันลงสนามเลือกตั้งเราจะรู้สึกว่าเราจะหาเสียงแบบสุจริตนี้ได้ยากเพราะคนอื่นเขาไม่หากันแบบสุจริตเขามีการซื้อเสียงขายเสียงกันใช้เงินใช้ทองกันไม่ได้ใช้ ความสามารถความซื่อสัตว์สุจริตเป็นตัวให้เขาเลือกแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีความโลภหรือมีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราจะไม่ทำผิดศีลผิดกฎหมายถ้าเราจะลงเลือกตั้งเราก็จะไม่ใช้เงินซื้อเสียงอย่างนี้เราก็จะ สามารถทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้แต่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราเชื่อความโลภของเราเราก็จะทำไม่ได้แล้วผลก็คือถึงแม้เราจะได้รับเลือกตั้งแต่เราจะไม่ได้ความดีเราจะไม่ได้ทำความดีเราจะไม่ได้ความสุขใจที่เกิดจากการทำความดี ความสุขใจที่ได้จากการรับเลือกตั้งนี้มันเป็นเพียงเวระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีความทุกข์ที่เกิดจากการทำผิดกฎหมายทำผิดศีลมาคอยนําความจิตใจของเราทำให้เรานอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับมีความวิตกมีความกามวลเพราะถ้าเขาจับได้ว่าเราทำผิดกฎหมาย เราก็จะถูกยกเลิกไปผลของการเลือกตั้งของเรานี้ก็จะถูกยกเลิกไปได้ดังนั้นในขณะที่เรายังไม่รู้ในขณะนั้นเราก็มีความวิตกกังวลไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจกลัวว่าจะเสียตำแหน่งนี้ไปแล้วถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆเขาจับเราได้ว่าเราทำผิดกฎหมาย เราก็จะต้องเสียตําแหน่งไปเราก็ต้องเสียอกเสียใจไปเองไม่คุ้มค่าสู้ทำตามความคำสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียหายอะไรเรายังมีความสุขมีความภูมิใจว่าเราทำความดีเราไม่ไปทำบาปเราไม่ไปทำผิดกฎหมายถ้าเราได้ตําแหน่งมาเราก็ยิ่งมีความภูมิใจ ในตัวเราว่าเราได้มาด้วยความสุดเจและเราก็จะไม่ต้องมีความวิตกกังวลว่าจะถูกปดออกไปหรือไม่เพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราไม่ได้ทำผิดกติกานั่นเองนี่คือผลที่เกิดจากการทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ถึงแม้เราจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ถึงแม้เราจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำเช่นเวลาเราโกรธเราอยากจะทำร้ายผู้อื่นเราไม่ได้ทำเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่กล้าไปทำบาปไม่กล้าไปทำผิดกฎหมายแต่สิ่งที่เราได้ก็คือความสุขใจความสงบใจความภูมิใจความอิ่มใจ อันนี้ต่างหากที่เป็นผลที่มีคุณค่ากับจิตใจของเราเพราะเมื่อเรามีความอิ่มใจแล้วเราก็ไม่จาเป็นเราก็จะอยู่อย่างเป็นปกติสุขได้เราไม่ต้องไปเป็นอะไรเราก็มีความสุขได้ไม่ต้องไปเป็นนายพลนายพันนายร้อยไม่ต้องไปเป็นผู้แทนเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเรากลับมีความสุข มากกว่าผู้คนที่ไปหาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาโดยวิธีมิชอบดยวิธีที่ผิดกฎหมายหรือผิดสิงผิดธรรมใจของเราก็จะมีแต่ความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นแล้วก็ไม่มีความพอด้วยได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้มาสมัยนี้พอหมดสมัยก็อยากจะได้ใหม่ สมัยหน้าก็ต้องลงเลือกตั้งอีกไม่มีวันสิ้นสุดก็ต้องไปทำบาปอีกซ้ออีกรอบหนึ่งไปทำผิดกฎหมายอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องมาวุ่นวายใจอีกรอบหนึ่งเพิ่มความแล้วก็ไปเพิ่มความอยากขึ้นไปอีกพอหมดรอบนี้ก็ไปทำอีกรอบแล้วก็ไปสร้างศัตรูไปสร้างเวรสร้างกรรมแล้วในที่สุดก็ต้องมารับใช้กรรมต่อไป ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ตายไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะเข้าใกล้สู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเลยเพราะการกระทําตามอํานาจของความโลภความโกรธความหลงมีแต่จะเพิ่มแรงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้มีมากขึ้นไม่ใช่ให้มันมีน้อยลงไป ทางของพระพุทธเจ้าต่างหาที่จะทำให้แรงของการไปเกิดแก่เจ็บตายนี้อ่อนกำลังลงไปทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดก็จะหมดกำลังไปการหมุนเวียนของวัตตะวนที่มีอยู่ภายในใจด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงนี้ก็จะหยุด เมื่อไม่มีการหมุนเวียนแล้วก็จะไม่มีภพชาติตามมาอีกต่อไปนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือต้องทำความดีไม่ทำบาปแล้วก็ต้องลดละความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไปและให้หมดสิ้นไป ด้วยวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสามวิธีด้วยกันก็คือให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมทำจิตใจให้สงบและพิจารณาสิ่งต่างๆให้เกิดปัญญาขึ้นมาให้รู้ความจริงของสิ่งต่างๆว่าเป็นอย่างไรว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยง ว่าสุขหรือทุกข์ว่าเป็นของเราหรือไม่ใช่เป็นของเราถ้าเรามีปัญญาเห็นตามความจริงเราก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเราเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่ได่าไม่อยากจะได้อะไรเพราะได้มาแล้วก็ต้องหมดไปได้เป็นผู้แทนแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไป ได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายกเดี๋ยวก็หมดไปได้เป็นในพัในในร้อยเดี๋ยวมันก็หมดไปได้เป็นมหาเศรษฐีเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะมันไม่มีอะไรที่ถาวรแล้วก็มันก็ไม่ได้ให้ความสุขความอิ่มความพอกลับให้เราต้องหิวต้องอยากได้อะไรมาก็อยากให้เป็นไปนา น, น, าน ให้อยากอยู่กับเราไปนานๆานความอยากนี้ก็เลยสร้างความกวลกวังวลความว่าวุ่นขุนมัวให้กับจิตใจสร้างความกลัวขึ้นมากลัวว่าจะสูญเสียสิ่งที่รักที่ชอบไปนั่นเองจึงไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความทุกข์สิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากมีกันนี้ไม่ได้ให้ความสุขกับใจแต่ให้ความทุกข์กับใจ ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่พวกเราทุกคนอยากได้อยากมีกันนี้ความจริงแล้วมันไม่ได้ให้ความสุขกับเรามันให้ความทุกข์กับเรามันเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี่เองปลาที่ไม่ฉลาดเห็นเหยื่อก็คิดว่าเป็นอาหารอันโอชะแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นตะขอเบ็ดที่จะเกี่ยว ปากของปลาและจะถูกคนเขาจับไปฆ่ากินปลามันไม่ฉลาดมันไม่รู้มันจึงมักถูกคนเขาจับไปกินได้นั่นเองด้วยการเห็นเหยื่อคิดว่าเหยื่อนี้เป็นอาหารอันโอชะพวกเราก็เป็นเหมือนปลาที่เห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญ สุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ว่าเป็นอาหารอันโอชะเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นตะขอเบ็ดที่จะเกี่ยวใจของเรนี้ให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดให้กลับมาเกิดใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ให้มาวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปไม่มีมันหมดสิ้นจนกว่า เราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน แ, แล้วปฏิบัติตามถ้าเราได้พบและได้ปฏิบัติตามในไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ถอดตะขอเบ็ดที่เกี่ยวเคาะเกี่ยวใจของเรานีให้ให้ให้ออกไปไม่ให้มันดึงใจของเราให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่แหละคืออนิสงหรือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำทุระที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายให้พวกเราได้ทำกันก็คือคันถักทุระศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าให้ทำดีละบาและให้ชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ด้วยการลดละและทำลาย คือความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจด้วยการทําบุญให้ทานด้วยการรักษาสิงด้วยการปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตตภาวนาคือนั่งสมาธิเดินจงกรมทําใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดด้วยการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็น ที่เรารับรู้อยู่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเราสามารถปฏิบัติตามได้ครบถ้วนทุกอย่างใจของเราก็จะได้รางวัลอันประเสริฐก็คือพระนิพพานคือความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีความความทุกข์มาเจือปนเป็นความสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด นี่และเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติหน้าที่หรือธุระของพระพุทธศาสินิกชนพระพุทธเจ้าไม่ต้องการผลตอบแทนอะไรจากพวกเราท่านไม่ต้องการให้เรากราบไหว้บูชาถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้กับท่านท่านต้องการให้เราปฏิบัติบูบชาถ้าเราอยากจะแสดงความเคารพความความรักในพระพุทธเจ้า อยากจะตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าขอให้เราตอบแทนด้วยการปฏิบัติบูชาคือทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็จะมีความสุขใจที่จะได้เห็นพวกเราทั้งหลายนั้นได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับหมอที่ดีใจ เวลาที่คนไข้ที่ไปรักษาได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บหมอทางพระพุทธศาสนานี้ไม่ต้องการผลตอบแทนไม่ต้องการเงินทองจากคนไข้ที่มารักษาต้องการให้คนไข้นี้หายจากหายจากโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นพระพุทธเจ้าพระอริยสงสากทั้งหลายท่านสั่งสอนพวกเราโดยไม่ต้องการผลตอบแทน คือไม่ต้องการรางวัลไม่ต้องการสิ่งตอบแทนท่านต้องการผลที่เกิดจากการปฏิบัติของเราเท่านั้นท่านต้องการให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายดังนั้นถ้าเราอยากจะแสดงความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้เราแสดงด้วยการปฏิบัติบูบชาคือน้อมเอา คำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ทดแทนบุญคุณได้แสดงความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเราก็จะได้รับความสุขและความเจริญที่แท้จริงจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดมาทมธุระของพุทธศาสนิกชนก็คือคันถธุระ และวิปัสสนาธุระนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีลัธนาตรายัยและบุญกุศลที่ท่านได้มารําเพญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วแกร่งปลอดภัยจากทุนไยภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ